เราจงร่วม เวลา 8:00 น. บ้านเมือง โทรสายด่วนบัตรทอง 1330 สร้าง 24 ชั่วโมงเพื่อให้คนไทยกว่า 47 ล้านคนเข้าถึง สปสช. 1330 ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณ 200 200 ต่อเดือน <c oughs> แต่อ่ะชอบไป 200 ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันซื้อ 200 กับคนที่คุณรักคนที่คุณรักโดยสำนักงาน คปภ. คลุมปากองค์เรตตะไคร้ในร่อนหรือ 3 ปล่อยปลากินนกน้ําเช่นปลาหา 4 รับปรุงสิ่งวัดรอบให้ คัดล้างไข้ยุงลายที่แห่งติดภาชนะสังคมและวัฒนธรรมประชาคมการเมืองประชาคม ประชากรสังคมเดียวหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่ง 2558 พร้อมก้าวสู่ประชากรอาเซียนพระ เขาจึงพบกับความสด 5 กรกฎาคมนี้อคีภัย ทรัพย์สิน 1,100 ล้านบาทต่อปีบาทต่อปีระมัดระวังไม่ประมาทร่วมป้องกันและปี 2557 ปี กฎบังคับใจขับขี่ปลอดภัยถ้าไม่ประมาททุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนน พบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ด้วยความห่วงใยจาก สวท. ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขผู้สูงวัยช่วยสังคม และทุกวันเวลา 5 วัดพะทาดพนมทุกวันเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. และรายการปาฐกถาธรรม น. ทาง สวท. 90.25 เมกะเฮิรตซ์ AM, 90. AM 981 กิโลเฮิรตซ์ขอเจริญพร ถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขอความสุขแล้วก็คือวัน 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวทอ. นครพนมคือคำสัญญาที่มีต่อประชาชนชี้แจงของ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกผ่าน เพราะการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้จะ 2ญญ า, อง, 20 จังหวัดภาคอีสาน 95 สถานีขอเชิญทุกวันในเวลาราย 30 นาที วางเรื่องราวดีสวัสดีค่ะมีสาระ 20 จังหวัดที่หากทุกท่านที่ 16 กาลกระดาคมค่ะมาพบกันคือเก่าในรายการอีสานมวล 103.25 เมกะเฮิรตซ์ 20 จังหวัดทั่วภาคอีสานในมื้อ วันนี้ท่านผู้ว่าค่ะได้มอบหมาย 20 จังหวัด 20 จังหวัด มี 2 ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องของผลรวม 20 จังหวัด ที่ได้ถ่ายทอดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด อ่าทุกๆ20 จังหวัดเลยทีเดียว 26 มิถุนายนนะคะท่านรอง 20 จังหวัดเลย ซึ่งภายใต้ 3 กันยายน 2557 ที่วิทยาลัย 500 คนด้วยกันด้วย 10 ประเด็นซึ่ง พอสรุปดัง 1 คนในชุมชนไม่มีความแตกแยกในชุมชน 2 มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 3 เริ่มมีการเปลี่ยนทัศนกติเป็นแบบบริโภคนิยมมากขึ้น 4 การพัฒนาด้านการศึกษามีเฉพาะกลุ่มพัฒนา 5 มี 6 ชุมและมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในประเด็นด้านความต้องการของชุมชนโดยร่วมแล้วสังคม 1 ต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2 มี 4 มี และ 4 ต้องการ 5 มีในประเด็นของความต้องการที่จะให้มีการพัฒนาด้านชุมชนต้องการ 1 สร้างวินัย 2 พัฒนาด้าน 3 ลด 4 ส่ง 5 ส่งเสริม 6 ต้องการ มีถนนคอนกรีตอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร 10 กลุ่ม 1 ปฏิรูปด้านการเมืองเกี่ยวกับที่มาของการสัญหา กระบวนการเข้าเข้าสู่ตำแหน่งการ 2 กำหนดการสร้าง 3 การกระจายงบประมาณในการบริหารจัดการด้านบุคลากรงบ 5ก ป้องกันและ 6 ปฏิรูปด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรการเรียนด้านการศึกษา ส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภูมิภาคให้ 7 ข้อที่ 8 มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระการจัดตั้งหน่วยเพ 9 เพิ่มบท รวมถึงปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองถึง 10 ดินน้ําป่าไม้ไม้ตลอดจน ได้กัน 10 ประเด็น เราเสวนาค่ะท่านท่านรองคะ อ่าประเด็นที่จะกล่าวในวันนี้นะครับ ทุกภาคส่วนครับทั้งฝ่ายทหารแล้วก็อ่า งานสําคัญที่ 1 งานอ่าเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมติดอ่าอาชญากรรม รวมถึงการพนันแล้วก็ 2 นะครับก็คือปัญหา อ่าก็คือการห้ามหรือการ 9 ปีเต็มการเชิญ ผู้ที่อยู่ในความขัดแย้งทั้งโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับผู้ที่อยู่ในความขัดแย้งทั้ง เหตุผลส่วนตัวเพื่อให้ยอม การแจ้งบ่อแสเกี่ยวกับผู้กระทําความ อ่าไม่ได้รับความร่วมมือๆนะ กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับอ่าซึ่ง ก็สามารถแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่ะเราจะสังเกตยังไงคะท่านอ่าถ้าเป็นเจ้า ทางกายที่มีค่ะเพราะว่าน้องครับครับค่ะ ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเลยทีเดียวนะคะ เราก็เหมือนเป็นพี่น้องเนื้อเดียวกัน ข้ามเล่นการพนันนะครับค่ะบอลครับๆครับค่ะ จังหวัดเราเป็นจังหวัดอ่าเกษตรกรรมนะ อ่าฝ่ายของเจ้า เต็มความๆนะคะอ่าช่วงแต่ก่อนมาจะเป็นหน่วยงานที่ ไม่อยากจะจากๆค่ะครับถ้าร้องค่ะก่อนที่จะ 20 จังหวัด 20 จังหวัด <laughs> ก็เราหวังว่า 20 จังหวัด กองตนทํางานสามัคคี สามารถทางสําหรับ อ่าแม่ไข่ของสวทออำนาจเจริญนะคะที่ส่งไป ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านท่าน ผอ. สวท. อำนาจเจริญค่ะ มีผูกพัน FM 90.25 เมกะเฮิรตสวนนครพหลุเคยเจ้าอาวาสวัน